อาจจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าใจมันก็ไปหมกมุนคุณคิดอะไรไปโน่นกายก็ไปรับใช้ความหลงมากกว่าที่จะไปรับใช้ความรู้ไปรับใช้ทานศีลภาวนาไปรับใช้กรรมท า, านเราจึง มาทำเป็นรูปแบบทำโครงสร้างริยาการต่างๆรวมกันเป็นหมู่เป็นมิตรแล้วก็มีรูปแบบในการกระทำไมวิชากรรมาฐานการยกมือสร้างจังหวะการเจริญสติต้องมีกิริยา ต้องมีการงานต้องมีการกระทําต้องมีเจตนาการเดินจงกรมการยกมือสร้างจังหวะการสร้างสติก็อเอากายเอากายไปสร้างเมื่อเอากายไปสร้างเจตนาเขาก็ผูกถึงกิจถึงใจด้วยใจมันก็ไปทําด้วยให้มีโอกาสอย่างนี้หาโอกาสอย่างนี้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 โดยเพาะการทํากรรมฐานมันเป็นอาสาระไม่ใช่เคร่องขวางอะไรตายแล้วก็ไม่ตายจริงๆปิยาก็ไม่ปียาจริงๆแล้วก็ไม่การกระทําจริงๆรู้สึกตัวจริงๆรู้สึกตัวจริงๆรู้สึกตัวอยู่ที่กายาบางทีมันไม่รู้สึกตัวอยู่ที่กายมันไปอันเือดมาเกิดขึ้น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 แล้วก็เพื่อให้เราได้กลับมากลับมาตังเลยเราจะเก่งตรงที่เรากลับมานี่แหละจึงจะเป็นกรรมฐานเป็นกรรมเป็นกรรมฐานที่ตรงนี้เป็นการกระทาที่ตรงนี้การรู้จักกลับมาเนี่ยแต่ไม่รู้จักกลับมาก็ไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นกรรมฐานเลยแล้วก็อาจจะถ้าบางคนก็อาจจะคิดมากไปไหลไปกับความคิดไหลไปกับความคิด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 คือที่ตั้งของการงานคือที่ตั้งแห่งการกระทามันจึงจะสมบูรณ์จะเป็นกรรมจึงจะเป็นกรรมถ้าไม่เช่นนั้นจะไม่เป็นกรรมจะเป็นกรรมที่ฟรีไม่มีผลหรือว่ากตักกรรมกันกรรมที่ไม่มีผล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 แล้วปราก็ว่าคนก็สร้างขึ้นมาบางทีให้ให้เราได้หลงโลกมันก็ไม่อยู่แล้วความโลภความโกรธความหลงแต่ว่าเราเราไม่ได้มองอีกขั้งหนึง่มมงตัวไม่โลภไม่โกรธไม่หล ง, งเวลามาสร้างาความรู้มันก็คู่กับความหลงอยู่แล้วเราจะมาทําจริงๆสร้างความรู้สักตัวมันก็จะเห็นความหลงชัดเจน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 ไปอยู่กับความหลงอ่าหลงไ ป, ไปลงม า, าไปไปอะไรเลยไม่รู้ว่าตัวเราหลงไปแล้วฮัตเข้าไปไปอยู่กับความโกรธควไม่รู้ว่าตัวเองโกรธเป็นผู้โกรธไปเลยแต่ถ้าเราในความรู้จักตัวมันจะมันจะไม่ไปหรอก <c oughs> มันจะรู้มันจะกลับมาแม้ไปมันก็จะดึงมันก็ไม่มากถ้าโกรธก็โกรธไม่มากนะถ้ารู้จักตัว ไว้สักหน่อยหนึ่งนะทุกข์ก็ทุกข์ไม่มากไม่เหมือนกต่ไม่รู้สึกตัวเลยเลยทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นถ้าโกธรร้อยเปอร์เซ็นถ้าหลงร้อยเปอร์เซ็นตหลังจาเรามีทุนอะไรสักหน่อยทุนแห่งบุญ อ, อย่าให้ขาดแขนยังมาสร้างเอาไว้มันจะ มองสองแง่สองมุงมไ่สุดตรงไ่สุดตรงไปทางใดทางห น, นึถ้าเรารู้สึกตัวเนาะแล้วก็เราไ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม่ีเพื่อนมมีมิตรมีพ่อไม่ีแม่บางทีเราหลงอาจจะมีพ่อแม่เพื่อนมิตรช่วยว่าอันนั้นเป็นวัตถุภายนอกแต่ว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันสร้างขึ้นมาจริงๆนะสร้างขึ้นมาจริงๆ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 เป็นหลักเป็นแหละงเป็นหลักเป็นฐานเราเรียนนัหืากาให้ได้อ่านออกเขียนได้ไปบ้าเราอกต้นไม้ก็ให้มันเป็นต้นไม้ไปบ้าให้มันเห็นต้นไม้เป็นประจักษ์หลักฐานให้ดูบ้างมันจึงจะเป็นการเป็นงานทาอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นบ้างไม่ใช่เค่งคว้างไม่ใช่เลื่อนลอยอะ ไม่ใช่ฟรีนะการทำกรรมฐานนี่ก็เหมือนกันมันไม่ฟรีมันรู้อยู่มันรู้อยู่นะแต่ตัวรู้มันเป็นอะไรแล้วมันเป็นได้ทุกอย่างความรู้สึกตัวเป็นศีลเป็นธรรมเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็ละความชั่วมันก็ทำความดีมันก็ทำให้จิตบริสุทธิ์นะคนมีความรู้สึกตัวสำมผัสตัวแล้วมันเป็นจากนั้น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 เราเราต้องตรวจสอบเราเองไม่ใช่คนอื่นให้มอบให้เพราะนั้นมีจิตดีคนนั้นมีศีลคนนั้นมีธรรมอะไเป็นโพหานของโลกแต่ว่าส่วนปลมาจจะต้องรู้เองตรวจสอบตัวเองมันหลงมันก็แก้เองมันโกรธมันทุกข์มันก็แก้เองมันติดมันก็ทําแก้ไปเองแต่มีความรู้จากตัวนะแต่ถ้ามันมีความรู้จากตัวมันก็ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างนะข่มร้ายข่มดี มากเรื่องหลายอย่างไปแค่แล้วนะแม้ว่ามันมีความรูร้สึกตัวมันก็ยังมันก็ยังจะต้องเห็นสิ่งที่มันไม่รู้เยอะแยะนะอย่างกินเละแค่ไอย่างหยาบบ้างมันก็เห็นอย่างกลางบ้างมันก็จะต้องเห็นอย่างละเอียดบ้างก็ต้องเห็นอ่านะเป็นเห็นอ่านะ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 ยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ดีๆเมื่อมันย่อมยีจิตใจแล้วก็โหดพึ่งตึงเครียดไปทันทีแต่กิริยามันอาการออกมาก็ไม่น่าดูนะนะมันทําให้เศร้าหมองเราก็เห็นสิ่ก็ต้องเห็นเราต้องไปเกี่ยวข้องกับมันเราทําได้ไหมทําได้บ้างอทําได้บ้างทําให้เบาลงบางมันโกดโล่อเอร์เซ็นเบาลงสัก เจ็ดสิบเปอเซ็นห้าสิบเปอร์เซนว่าจึงจะเป็นการศึกษาจึงจะเป็นการถลุงยังจะเป็นสิลจึงจะเป็นสมาธิจึงจะเป็นปัญญาปัญญาสิลสมาธิเขาใช่สำหรับเรื่องี้กันเพราะว่าเด้ไปอวดใครเพราะว่าทมกับกิเลสสิลสมาธิปัญญาเป็นการปรับกับกิเลสเหมือนแสงสว่างเป็นการปรับกับความมืดกันเนี่ยนะ ทำไมไหมหรื ว, ว่าเขามาได้เดินเข้าเดินออกสบายๆของบ้านของรั้วเราถืออยู่เสมออย่างนั้นเลยเราจะมั่นคงตรงไหนที่ริตเราเราต้องมีหลักแหล่งบ้างมีหลักฐานบ้างมีหลักประกันบ้างมีหลักรับบ้างว่าเราไม่หลักทรัพย์ภายนอกบ้างทรัพย์ภายในเท่ากันเพื่อที่จะประ ก, กันเพื่อที่จะยืนยัน กับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็มีสิทธิเจรีภาพเสรีภาพธรรมาทิเบตไต่ก็คืออ่ว า, าให้ความโกรธความโลภความหลงย่มยี่จนเกินไปเราเรียกร้องเสรีภาพประชาธิปไตยแต่อาจจะยังเข้าไม่ถึงความเป็นอธิปไต่คือ อิสรภาพจากสิ่งเหล่านี้นจากความโลภความโกรธความหลงความโลภ ก, ก็ไม่ใช่เน้อยน้อยหลายอย่างความโกรธก็ไม่ใช่เล็กน้อยน้อยหลายอย่างความหลงก็ไม่ใช่เล็กน้อยหลายอย่างแต่ถ้าเรามีความรู้เราก็ตัวหลักเลยฉเฉลยไปเลยนี่คือกรรมฐานนะเพื่อเพื่อการนี่โดยตรงกรรมฐานเนี่ยไ่ใช่ไปอธรันเดินดอก เพื่อเรื่องนี้เป็นการรับผิดชอบตัวเองแล้วเมื่อรับผิดชอบตัวเองเราก็มีผลกระทบไปกับคนอื่นด้วยสิ่งอื่นด้วยวัตถุอื่นด้วยเกิดความเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาด้วยเพราะมันทํามันเดียวมันคลองไปหลายอย่างคลองโลกค้ำจูนโลกไปเลยไม่ใช่แบบโลกโลกนะแบบโลกโลกอาจะแย่งกันเห็นคนหนึ่ง ร้อนเขาก็ซื้อแอร์มาติดบ้านทำให้เย็นแต่ว่าความร้อนเขาก็หลุดไปให้คนอื่นก น, นั่งไม่ต่าันเขาได้ความเย็นแต่ทำห้เกิดคนอื่นในความร้อนความร่มรวยของพวกเราเขาจจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนอเช่นเราไ่เข้าวสิบจานม่คนสิบคน คงจะได้กินทุกคนคนละชามแต่คนหนึ่งก็กว้าออามาหมดมันก็ขาดแคลนแต่ว่าถ้าทำเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเพื่อเพื่อคนอื่นนะาจะพูดแล้วนะไม่ใช่เพื่อตัวเองเย่างเดียวมันเพื่อคนอื่นอาจจะเพื่อตัวเองเล็กน้อยมันไปเพื่อคนอื่นันไปเพื่อคนอื่น เพราะเราไหวเวี ย, วยตนตนแล้วก็ประกบเพื่อคนอื่นมันก็ประโยชน์เพื่อกลนเพราะคชนะห้ตายยาเพื่อประโยชน์เพื่อกลเจ้คนอื่นชนอื่นคนหมู่มากนะถ้าเราปฏิบัติธรรมน้อยก็ใหคนกระทุกทำให้เกิดความสงบร่งเย็นเราปฏิบัติธรรมเป็นคนดีในครอบครัวในตระกูลของเรา ก็ทำให้ตระกูลของเราคอยสงบร่งเย็นมัดดอกมะลิชอนน้อยรลอยอยู่ในโอน่งน้ำใหญ่ๆน้ำก็หอมไปด้วยค็มีศินมีธรรมก็เป็นะหมหอมไปด้วยสงบไปด้วยชื่นใจไปด้วยอาจจะเป็นที่เพื่อพคาอาศัยของวงตระกูลได้เนี่ยันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเร า, มาทำคนเดียวแต่ว่ามันมีผลกระทบนะ เราก็ไม่เบียดเบียนเราเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นบุรีเราก็ไม่โศบเล้าเราก็ไม่กินโกรธเราก็ไม่โกรธหลงก็ไม่หลงเราผิดชอบรับรองว่าไม่ทะเลทะเลอะย่างนีนะหรือตรงไหนก็เป็นสงบร่มเย็นให้เกิดความสุขสงบหลายอย่างอ่บาบ้าการปฏิวัติธรรมเป็นกรรมธรรมเนี่ยเป็นตัวหลักจริงๆนะหลักทำความดี หลักละความชั่วหลักทำให้กิตบริสุทธิ์เนี่ยมันก็มีเท่านี้ชีวิตเรานะมันไม่มีมากหรอกแต่ว่าหลงเนี่ยมันก็ไม่มากนะแต่ตัวหลักคันจริงจริงมันไม่มากนะแต่วความหลงมันมากขนาดไหนมันก็ไปไว้รอดถ้าเรามีหลักกั น, นี้นะมีมันกันนะความหลงอะมากปลายอะมากปลายความหลงอะ แล้วว่าถึงมากขนาดไหนแล้วก็ไม่มีภาษีภาษาอะไรหรอกความลงนะแต่ถ้าเรามีหลักตรงนีแล้ววันศิลาแท่งทึบแม้จะไม่ลมขนาดไหนมาทิศใดทางใดมันก็ไม่มีโอกาสที่จะพัดศิลาแท่งทึบให้วันไหวได้คนมีสติคนมีศีลเมตธรรมก็ไม่หวันไหวเพราะการเนินทาสันละเสริมมันจะมีอยู่ในโลก สี่ล้านล้านีกี่เท่าไรก็ไม่บันไหาเพราะมันเป็นศิลาแทงทึบแล้วไม่เสถียร น, นะกาเวลาไม่สินไม่ทำไม่สติก็เป็นเช่นนั้นก็เหมาะที่จะอยู่ในโลกอยู่ทุกเหตุทุกการทุกสถานที่นะไปบันไดอะไรไปคิดเรื่องอะไรกันไปทำอะไรกันไปหลงอะไรกันอ่มันลู้อยู่แล้วกลับมามาลู่ัะตัว วัสดุอุปกรณ์ก็ผิดได้ความรู้สึกตัวไม่จนเลยหายใจเข้าก็รู้ได้หายใจออกก็รู้ได้เอื้นน้าลายก็รู้ได้พิษตาก็รู้ได้เคลื่อนมือเคลื่อนไหวยกมือเข้าเอามือออกรู้ได้น่ะน่ะมันสะดวกการสร้างความรู้สึกตัวมันไม่เหมือนกับสร้างความหลงเสร่างความหลงอดอู้ต้องหาวัตถุภายนอกต้องหาวัตถุภายในเอามาแล้วก็ใส่ใจเพ่งเล็ง ย่อใจบางทีก็เอาเงินไปซื้อเอาซื้อลเล่าซื้ออะไรว่ไกินหลงไป อ, า, อาววัตถุที่เกิดให้คนหลงอ้าวเขาก็สร้างขึ้นมาให้สนับสนุนให้คนหลงเยอะแยะหลงหนังหลงละครบารอกะอะไรต่างๆสารพัดอย่างโฆษณาเป็นกาเป็นคำเป็นอะไรนะแต่ความรู้จึกตัวเนี่ยมันไม่มีวัตถุที่จะไปโฆษณา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 กอมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแล้วก็ศึกขาราเพพไปนุ่งขาวห่วมขาวกเลยไปเยี่ย ม, มเขาก็ไปอยู่ในถ้าไปพวกันมันเป็นมาอย่างไรความเป็นจริงพูดให้ผมขังผมไม่หลังเกียดพอช่วยกันก็จะช่วยกันพอช่วยกันได้ เขาบอว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของผมเป็นชาติที่ยี่สิบของผมโอ้หลวงพ่อเลยหมดธาน่ะเอเอนักกรรมาฐานอะไรจะพูดจากไหนไม่ใช่นักกรรมาฐานก็ไม่พูดจากไ้ น, ไนเขาไม่ใช่ว่าเป็นเวรเป็นกรรมสารภาพไม่ต้องไปสารภาพกับเวรอะไรไปสารภาพมันทําไมแม้ว่าเขาจะมาทักกีวรออกเราก็ไม่ใช่ว่าเวรกรรม มันเป็นเช่นนั่นเองยิมได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นนั่งเศร้าโศยโมยเหงามันเป็นเวรเป็นกรรมของผมผมต้องรับกรรมไปก่อนโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นเอ้คิดไปตมันต้องเด็ดขาดนะเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้สิ้นเวรสิ้นกรรมกันทีแม้เขาจะมาฆ่ามาลุกมาด่าเราเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นกรรมเป็นเวน เราปฏิเสธไม่ได้เป็นปรากฏการณ์เชงเราส่วนชัดเจนคือเราโริสุทร้อยเป์เซ็นพันเปเส็อยู่เสม อ, อ, อเหตุการณ์ปรากฏการณ์ของโลกก็ย่อมมีทั่วๆ่วไปเพราะโลกมันเราอยู่กับโลกเขาเกิดมาก่อนเราเนินทาเฉลิสุกทุกได้เสียมันมีมาก่อนเราแต่เราจะอยู่อย่างองค์อาจเนี่ยอยู่วันนี้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 ส ต, ติปัฏฐานเราก็ได้ยินเต็มหูก่าดมาเท่าไหร่ทั้งเอาไปสวดอเอามาทำลงเลยฐานก็ามาตั้งไว้กรรมก็คือการกระทำความเพียนก็ใส่ใจมันหลงเพียนที่จะไม่หลงตรงนี้ขยันลูกเรีอว่าภาวนาภาวนาเนี่ยขยันลูกมันหลงเปลี่ยนให้เป็นตัวลูก มันผิดเปลี่ยนให้เป็นถูกมันทุกข์เปลี่ยนให้เป็นไม่ทุกข์มันโกรธเปลี่ยนให้เป็นไม่โกรธนี่คือภาวนาไปเป็นบทเพิ่มพำเพิ่มพำที่ไหนเป็นตัวปฏิบัติภาวนาไม่ใช่รูปแบบเป็นตัวปฏิบัติจริงๆมันผิดทำให้ทูกมันหลงทำให้ไม่หลงมันโกรธทำให้ไม่โกรธมันทุกข์ทให้ไม่ทุกข์เราไม่ทาตรงนี้ เราจะไปทําอะไรชีวิตเราอะไรที่เป็นสาระไม่มีถ้าเราไม่ทําตรงนี้แล้วเราทําตรงนี้มันจะเป็นจริงความสุขมันเป็นยังไงความทุกข์มันเป็นอย่างไ ร, ม, งไรมันมีจริงหรือเราอยากได้ความสุขหรือเราเกลียดความทุกข์หรือเราไปเกลียดความสุขเราไปอยากได้ความทุกข์มันมันเป็นปลายเหตุ ไม่ต้องไปเตรียบไม่ต้องไปหยาดได้มันทำตรงนี้นะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะี่ยอันนี้นะการปฏิบัติธรรมมันเป็นขินเป็นอันเป็นการเป็นงานเป็นสิ่งที่ทำโดยชอบมันชอบจริงๆอยู่โดยชอบจริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยอ่าใครจะเป็นยังไงก็เราอยู่ตรงนี้แล้วเราได้ที่ของเราแล้ว เราจะนั่งอยู่บนรถเมเราก็อยู่โดยชอบเราจะเดินอยู่บนถนนเราก็อยู่โดยชอบเราจะทําอะไรอยู่ก็อยู่โดยชอบความโดยสตัวพอดีพอดี อ, ดอไม่อ่อนแอไม่เป็นการมาสุขขันธ์การโยโยกอ่อนไหวอ่อนแอเกินไปคล้อยตามเกินไ ป, น ไ, ปไม่เป็นอัตตะกิเลิมัฏฐานโยโยกเคร่งขึงเคร่งเครียดจริ ง, จ, รงจังเอาผิดเอาถูก มันเป็นความทุกข์กพราความดีเป็นความทุกข์เพรความถูกเป็นความทุกข์เพรความผิดเท่ากันนะไม่ต้องดูมันดูมันรู้สึกตัวดูมันมันเหนือเหนือผิดเหนือถูกเหนือสุขเหนือทุกข์ความรู้สึกตัวเห็นมันเห็นตัวเราบ้างเห็นคนอื่นบ้างตัวเราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเราความทุกข์อยู่กับเขาความทุกข์อยู่กับเราก็เหมือนกัน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 เรียกว่าอิจจาทับปัจจยะตาผู้ใดเห็นอิทับปัจจยตาผู้นั้นเชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นอิทับปัจจยะตาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้น เ, เห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดไม่เห็นผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าคือผู้นั้นเห็นธรออรมมาธรรมโอเคเลยคือการกระทําที่มันมีอยู่กับเราลู่สึกตัวลู่สึกตัวนี่นะเคลื่อนไหวไปมาลู่สึกตัว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 นี่ไหมสร้างความโลภความคิดมันโอ้มันไหลเข้ามามันคิดสิบปียี่สิบ ป, บ ป, บปีมันก็ยังเอาไว้คิดเรื่องโ น, น่นเรื่องนี้ฉายให้เราอยู่ตั้งหลายโลกความคิดความรักก็ฉายให้เราเห็นความชังก็ฉายให้เราเห็นความสุขก็ฉายให้เราเห็นความทุกข์ก็ฉายให้เราเห็นจนในพระสูตรเรื่องพระพุทธเจ้า มานสิท่าเ อ, อ้ยท่านยังขมหลกดาพระเจ้าจากักรพรรดิยังอยู่ในมือของท่านท่านจะมาอยู่อย่างนี้อย่างไรรมานนะอะาส่วนไปโอ้โหพระเจ้าจากักรพรรดิไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะาเป็นยอดของชีวิตเลยทําไมมานั่งหลังคดหลังหองอยู่นี่อ่ะ ผมดกดำพิมพายังสวยสาสนมกำนันในให้ความประคบ ป, ประโมทันอยู่มาอยู่คนเดียวเปลี่ยวกรอยางไรสีทัศน์เอ้ยต้นโพเป็นของเรานะ้นี่นอักถีสละอีคิดถึงประสาทสามแล้วดูโนดตาเสีแล้วดูล่อนหลังหนึ่งแล้วดูหนาวหลังหนึ่งแล้วดูฝนห ล, ลังหนึ่ง แมเราไม่มีประสาทสามรถมันอาจจะคิดขึ้นมาอะไรนะอาจจะชอบไม่ชอบตรงนี้บ้างอตรงนั้นดีกว่าอาจารย์คนนี้ดีอาจารย์คนนั้นก็ดีกว่าฉันชอบอย่างนั้นฉันชอบอย่างนี้แม่หลวงพอก็ยังคิดเห ม, มือนกันอายุคนสรางเกีว่วียนมันสู้เอามือวางไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วใครทามาอย่างนี้นก็เด็คิดไปเปรียบเทียบไปเอา้า มันยังเอาความผิดความถูกมาเอาความผิดความถูกกับความคิดจากเหตุจากผลหรือเนี่ยมัเอาเหตุเอาผลมันยกเมฆมาหรือเนี่ยทําอะไรลงไปมันมีแต่ความคิดมาเอาเหตุเอาผลหรือเอาความชอบความไม่ชอบหรือด่าตัวเองอืต้องมาทําสิเขาทำเลยโอ้เนี่ยเ้มือขึ้นโลกยกมือขึ้นโลกวางมือลงโลกพัมือลงโลกโอ้มันต้องมาทําตัวนี้ เสียเวลากับเหตุกับผลกับความคิดทำไมวังทีมันก็พอสมควรมันก็นบางคนก็เอาไม่ได้หอบกับ๋ผกับบา่าสู้ไม่ได้สู้เหตุสู้ผลไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นยานหอบเสือเป็นยานหอบกับ๋าไปเรื่อยไปโน่นไปนี่บ้าง อ, อธิปัตย์อะไรจเริ่มสติมันไม่มีเรื่องนี้หรอกเอามันก็อยู่กับเราเนี่ยเราลู่เสดตัวนี่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 อะไรต่างๆหลงไปทางกายหลงไปทางจิตใจรู้สึกตัวท่าเดียวรู้สึกตัวท่าเดียวกลับมาได้อยา่างดีกลับมากลับมากลับมาอะกลับมาได้ทุกครั้งที่มันหลงต้องอย่างนี้นะมันมีงานมีการแล้วนั่งลอยๆอยู่มันก็ไม่เห็นอะไรมันก็ลอยอย่างนั่นแหละห่วงเห้าเศร้าซึมอยู่นั้นอ่ต้องจับงานจับการปฏิบัติธรรมเหมือนเราจะไปทางานทำกาม ไปทำนาต้องไปถึงนาแล้วต้องจับนานจับการถ้าจะดำนาก็จับมัดกา้าลงไปลุยขี้โคลนก้มลงจับต้นก้าปักลงไปในดินต้นแล้วต้นเล่าหนึ 1, 2, 3, 4, 4, ่งมัดสองมัดสามมัดสี่มัดนก็งานก็สำเร็จไปวันนี้ได้หนึ่งไล่ดำดำนาได้สามสิบสี่สิบห้าสิบมัดก้า โบราณท่านบอกเออเท้าเอ้เอยนั่งเอ้ยแต่ดำหน้าได้เบิดเบิอแเลยมีสิบสามสิบมัดกาไม่อดไม่อยาบโบราณท่านอโอ้เราก็ทับจริงๆเขาดำได้จริงๆเอาให้มากกว่านั้นห้าสิบมัดก้าอ่ามันจะอดะอยากได้ไงไม่เาก็งานเราก็สำเร็จไปถ้าไปแล้วไปนั่งใจลอยโอ้ว่าจะดำตรงนั่นจะปักตรงนี้อ่าจะเตาตรงนั้นก่อนเสร็จตรงนั่นเราจะไปตรงนั่นเราก็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 ถ้ามันร้อนโอ้ยชั่ว ไ, ไว้ไหวหนีไปถ้ามันหนาวโอ้ยชั่ว ไ, ไว้ไหวหนีไปอะปวดหลังโอ้ยหนีขึ้นไปมันก็เท่านั้นหลือมันจะทําอะไรได้การทําความเพียนการทําภาวนาก็ะมาณันยากนิดหน่อยไม่สูงเงาเงานิดหน่อยก็ไม่สูงปวดขาปวดเขนนิดหน่อยไม่สูอคิดเน็ตหน่อยก็ไม่สูง ไม่แต่รับตะพุตะเูือะไรยื่นมาพร้อมที่จะวางความรู้ตัวไปตามสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่นักปฏิบัติมันไม่ใช่นักกรรมาฐานนักกรรมาฐานต้องกลั บ, บมาหาที่ตั้งอยู่เสมอเราทําตรงนี้เราทําตรงนี้เราทําตรงนี้เอามาเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความโูภความหลงเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความโูภความทุกข์เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความโลภ เ, เ, เ, เอามาเป็นแปลเป็นความรู้ทั้งหมด หมืนตับเรามันแปลอาหารมันแปลอะไรมันทําหน้าที่แปลเป็นไม่ให้มีพิดเลยเขน่นกินแล้วเขาว่ามันก็แปลแอลกอฮอลให้เป็นออกซิเจนแปลไปกินลงไปท่านก็แปลแปลลงไปแปลมันก็ลบลบลบลบเพราะมันลบบ่อยๆเด้อมันก็แพ้มันก็นาตับแต่ว่าตับแข็งไปเลยเโลกตับ เออปอดไหมเอาูบุหรี่เขาไปวคาร์บอนมันอกไซด์มันทำให้เป็นออกซิเจนออดมันพยายามลบ ก, กับควันบุหรี่นั่นมันดินกับพ่อพูนปอดอยู่เรื่อยๆพพูนอยู่เรื่อยๆมันสู้ไมไหวออก็ไอเอดอเอะไรตัวก็สู้มไม่ไหก็แพ้เหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกตัวไม่แพ้นะฮะแต่เราไม่แพ้เหมือนกับตับเหมือนกับปลอดนะอันนั้นมัน เป็นวัตถุความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันไม่เป็ม น, น, น, นะถ้าเราปฏิบัติทำรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวเลยวัดสดุอุกรณ์ที่เราทําความรู้สึกตัวก็ไม่ยกมือสร้างจะว่าเอามันไปก็กลับมาเนี่ยน้ําหนักตัวนี้มันมีเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัวได้ดีกว่าการกระตุ้นให้เกิดความหลงความหลงมันมาลอยๆนี่เรามันมีหลักมีกรรมฐานมีที่ตั้งอยู่แล้ว ผมลงมันลอยมามันจะลงพัดมานิดหน่อยเขาก็ไม่หวั่นไหวก็กลับมาอันนี้นะการทํากรรมฐา น, น, าานพอทําลงไปมันได้หลักกันทีนะมันยึดได้มันจะถ้าเป็นเวทีก็ชฉยภูมิที่ดีถ้าเป็นนักลบก็ได้ชฉียบโฟมที่ดีมองเห็นศัตรูได้ทุกแง่ทุกมุมตัวปฏิบัติทําการเจริญสติเนี่ยใครจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไร ไม่แปลกใครจะหลงไปทางไหนก็ไม่แปลกใครจะสุขก็ไม่แปลกใครจะทุกข์ก็ไม่แปลกอะไรไม่แปลกอะไรไม่ยิ่งใหญ่ใครจะเป็นอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่การิึบกาจ้อยมันยิ่งใหญ่ด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนีนยว่ยิ่งใหญ่กว่าฮะยิ่งใหญ่กว่าพยายามจับให้มั่นขันให้เดียวทำให้ถูก จับลงไปให้มันถูกทันตีอย่าให้มันครึ่งๆกลางๆมันเราจับจากาที่จะถอนยาขาเพราะจับก็จับแค่นั้นถอนขึ้นได้สบายแต่บางคนจับติบๆจอมย้อนเขดึงขึ้นก็เจ็บมือเปล่าการทําความเพียรสร้างสติลู่ครึ่งๆกลางๆครึ่งลูกครึ่งหลงเอาไปมากอสู้ไม่ได้สู้ความลงไม่ได้ง่วงก็ง่วงคิดก็คิดอะไรก็ยุ่งไปหมดเลย ยากไปหมดเลยวันคนทำงานไม่จัดเก็บก็อะไรก็ยากอะไรก็ยากทำอะไรก็ไม่ได้ใช่ต้องทำ <c oughs> ต้องสู้สักหน่อยต้องสู้สักต่อยธรรมะเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นสมบัติของคนที่อ่อนแอเท่าไหร่นะธรรมะต้องเป็นสมบัติของบุคคลที่มีความเข้มแข็งพอสมควรที่จึงจะได้บรรลุธรรม ต้องสร้างความเข้มแข็งนะต้องตกอกผังทันทีทับเลยเราครนเะตึ่งเขาจะพูดกับตัวเราก็ลูกพ่อนี่แม่นี่เราคนหนึ่งว่าอย่างนี้ใช่โอ๊ยทําอะไรก็ทําไรนั่นแหละอ่อนแอไปไม่ใช้รใหรนะตกอกเลยลูกพ่อนี่แม่ที่ขอเราเป็นคนหนึ่งที่จะทําความดีให้มั่นใจทําอะไรมั่นใจ มาทําแบบไม่ม e <anda> ั่นใจงอนแน่นกนแกนมันก็ไม่ทําแบบแต่ว่าอ่อนไหวอยู่เรื่อยๆนะการสร้างสติมันทําให้มั่นคงอยู่เรื่อยๆมั่นคงอยู่เรื่อยๆอะโู่อยู่เรื่อยๆลู่อยู่เรื่อยๆลู่อยู่เรื่อยสิบสี่จังหวะสิบสี่ลู่สิบสี่วินาทีได้สิบสี่ลู่ชั่วโมงหนึ่งได้สามพันกว่าลู่เดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งได้สามพันกว่าลู่ ได้สอพันเก้าแต่ละเก้าลูกทุกเก้าไปพยายามที่จะลูกมันไม่ลูกมันหลงก็บลูกไปได้ผลเรียนได้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆมันก็เก่งทีมันก็ต้องเก่งนะพอทําลงไปมันต้องลบทันทีบางทีก็จู่โจรกันบ้างะมันหลงมันยกขบวนมากระจงโจรมันก็ลบไปด้วยไม่ใช่ไปฝึกหัดใเฉยๆต้องคงจิตลบกับความง่วงลบกับความคิดลบกับความเจ้าความทุกข์บ้าง อะมันต้องเก่งอย่างนั้นแต่ไม่ลกมันจะเก่งอะไรมันจะเป็นพระเอกได้อย่างไรเอกกระคืนหนึ่งอะไรนะมันจะเอกได้ไงมันก็ต้องหนึ่งบ้างนะแต่ไปยอมอะไรทั้งหมดเลยนะปฏิบัติธรรมในหลวงกอโคดให้ฟังฮ่าโดตันเดียวกันแหละร็ทำมนเดียวกันก็ทํามาอย่างนี้ฝึกมาอย่างนี้แล้วมันก็ชนะบ้างมาอย่างนี้มันก็อยู่อย่างนี้มันก็อยู่แบบต่างเก่าพ้นภาวะเก่าจริงๆ แต่ก็มก็หลงก็โกรธก็โลภ ก, ก, ก, ก็ทุกข์ก็เดี๋ยวพระเจา้าเดี๋ยวนี้มันก็ไปเดียร์แล้วมัก็มีสติเนี่ยเดี๋ยวยังไงถ้าถึงตรงนี้เร า, าก็โอ้จากให้คนพาถึงตรงนี้เนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าเรียกพวกเราโอคาอาโดคามักคามาเปเวยัจจะทุโลมังตัศลายปิรติปิดเฉงหิตธวากาเมจินเะโนตรงเมือมถึงที่ไม่มีนม้ําจากที่มีนม้ําำเดี๋ยวนี้เรา น้ำเพียงไหนเพียงปากหายใจอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างน้ำเพียงคอลอคออยู่ลอกลอยคออยู่น้ำเพียงหน้าอกน้ำเพียงเอวน้ำเพียงขาน้ามเพีย ง, ย ง, ยงหัวเข่าน้ำเพียงน่องขึ้นฝั่งได้เอาไนั่นแล้ว ลอยอยู่ทําไมไปมุดลอยก็ยังดีมดุมดลงไปคนโกรธเขาถือว่ามุดลงไปแล้วคนทุกข์ก็มุดลงไปแล้วคนโลภก็มุดลงไปแล้วคนหลงก็มุดลงไปแล้วอโหขึ้ ห, หม่โอ้ยเกือบตายไปไหนเนาะไม่ใช่ต้องเดดขึ้นจากน้อยก็น้ําเคียงเอวเนาะอยู่ระดับไหนแล้วเนะี่ยถ้าเราลุยน้ํานะฮะ เดียวเพียงไหนแล้วฮะถ้าเพียงปากก็เต็มทีนะขึ้นบ้างขึ้นฝั่งขึ้นฝ้ายกขึ้นมาบ้างนะเห็นความคิดแต่ว่าน้าเพียงขอนะเห็นความคิดเปลี่ยนความคิดเป็นความโลห์น้ำเพียงหน้าอกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนความทุกข์เปลี่ยนความหลงเปลี่ยนความโกรธเห็นเห็นน้าก็ขึ้นไปขึ้นไปกึ้นไป ใช่เห็นเราก็เลียนถ้าเป็นเราจมลงไปอีกแล้วเข้าใจไหมเป็นผู้ทุกข์จมลงไปแล้วมุดลงไปแล้วเห็นมันทุกข์ลอยขึ้นมาแล้วเป็นผู้โกรธเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้อะไรก็จมลงไปแล้วถ้าเห็นลอยตัวึ้นมาได้าลอยเห็นที่ได้ลอยกัยไนไปเห็นที่ได้ลอยกันไปลอยกันไปเนื้อแต่กน